พวกที่มาปฏิบัติจากอุตรดิษตนครสวรรค์กรุงเทพก็คงจะมาถึงปฏิบัติที่นี่มาเป็นวันที่สามแล้วให้ลองดูใจของตัวเองนะว่าเป็นยังไงมาถึงวันที่สามแล้วยังรู้สึกว่ า, าซึมซึมงอยเงาหรือว่าสดชื่น เมื่อทีอากาศอย่างนี้เนี่ย <Yeah. S 1> ดูขมุขขมัวอาจจะทําให้ใจของเราพลอยขอมุขขมัวไปด้วย <Yeah. S 1> หรือว่าอาจจะถึงกําหม่นหมอง mm hmm. ถ้าเราเพียงแต่รู้ใจ mm hmm. นะดูใจที่มันหม่นหมองของมุขขมัว mm hmm. ก็อาจจะช่วยทําให้ ความขมุมขมวนั้นจางคลายไปได้แต่ถ้าเกิดว่ายังดูอารมณ์นั้นไม่เป็นก็อาจจะใช้วิธีอื่นเช่นการปลุกใจให้สดชื่นให้ตื่นตัวขึ้นมามันปลุกได้นะใจของเราเนี่ย หรือเราอาจอาศัสายสิ่งอื่นมาช่วยก็ได้ในวัดนี้นี่มีอุปกรณ์ที่จะช่วยปลุกใจเราให้ตื่นสดใสเบิกบานได้ไม่น้อยถ้าใครไม่รู้จะไปหาที่ไหนก็ไปที่สะพานก็ได้นะดูดอกบัวที่กำลังตูมหรือว่าบาน แม้ว่าอากาศจะหมดนมัวยังไรดอกบัวเขาก็ยังบานเขายังสดชื่นแจ่มใสนะให้เราน้อมใจเอาความสดชื่นของดอกบัวนั้นมาไว้ที่กลางใจเราหรือว่าถือดอกบัวเหล่านะั้นเป็นครูของเราก็ได้เานะานะอากาศหมดนมัวเขาก็ยังบานสดชื่นแม้แม้แม แดดจะแรงเขาก็ยังไม่หวั่นไหวนะต่อความร้อนความแรงกล้าของแดดวันนี้สังเกตดตกกกนะูตรงกลางก็ไม่ต้องกลางนะตรงกลางสะบัะเนี่ยมันจะมีกอกอย่าอยู่กอหนึ่งคล้ายๆเกาะแล้วก็มีดอกบัว นึงดอกอชูช่อขึ้นมาโดดเด่นมีดอกเดียวกาลังตูมเห็นแล้วก็นึกถึงที่สวนโมกนะมะพร้าวนาลิเกมะพร้าวนาลิเกพวกเราที่ไปสวนโมก ค, คงจะรู้จักนะเป็นสายกว้างแล้วก็มีเกาะอยู่ตรงกลางแล้วก็มีมะพร้าวสูงอยู่โดดเด่น อันนั้นคือสะมะพาวนาลิเกเป็นปิศาณธรรมในส่วนโมกนะที่เปรียบถึงพระนิพพานหรือเปรียบถึงใจเนื้อที่เป็นอิสระหลุดพ้นบริสุทธิ์ฝนตกก็ไม่ต้องฟ้าร้องก็ไม่ถึงนะอยู่ท่ามกลางทะเลทะเลนั้นคือวะัฏะสงสาร ความทุกข์ความหม่นมัวความโกรธความเกลียดต่างๆที่มนุษย์เราก็ส่วนใหญ่ก็หลงไหวหลงจมอยู่ในนั้นแต่เมื่อใดก็ตามที่ขึ้นไปถึงเกาะก็จะปลอดโปร่งอิสระนะแห้งจะไม่จมจะไม่เปียกชื้นแฉะนั่นหละคือจุดที่ฝนตกก็ไม่ต้องฟ้าร้องก็ไม่ถึงคือหมายถึงว่า สภาวะจิตที่ไม่มีอะไรที่มากระทบให้กระเพื่อมหรือว่าหม่นหมองเป็นทุกข์ได้ไม่ว่าบวกหรือลบนะอิทธาลมอ น, นิธาลมโลกธรรมไฟยบกลกกูกธรรมไฟลบ ก, ก็ไม่ทำให้เกิดความยินดียินลายมาดูกอกอบัวตรงกลางสะแล้วเนี่ย ก, ก็ชวนให้นึกถึงมาพนาวนริเกนะ แล้วก็ดูจะโดดเด่นดอกบัวนั้นก็โดดเด่นนะถ้าหากว่าใจของเราเนี่ยโดดเด่นสดชื่นอย่างนั้นบ้างก็ถือว่าเป็นนะเป็นโชคเป็นบุญของเราดอกบัวเนี่ยเเป็นตัวแทนของจิตที่บริสุทธิ์นะดอกบัวนี่เกิดจากโครนตรมนะแต่ว่าก็สามารถที่จ ะ, จะเจริญงอกงามจนพ้นโครนตรม แล้วก็สามารถที่จะพ้นน้ำออกมาได้พ้นน้ำขึ้นมาได้เมื่อเจอแสงก็จะเมื่อเจอแสงสว่างก็จะค่อยๆเบ่งบานขึ้นนะเป็นลักษณะของใจที่แม้จะอยู่ในโลกแม้จะเกิดจากกามมนุษย์เราเนี่ยเกิดจากกามนะแต่ว่าก็สามารถที่จะเป็นอิสระเหนือกามได้ เราเติบโตมาด้วยวัตถุสิ่งของต่างๆมากมายแต่ว่าเราก็สามารถจะยกจิตให้เหนือสิ่งเหล่านั้นได้ใบบัวก็เหมือนกันนะใบบัวก็เป็นเป็นครูสอนทำได้ใบบัวเนี่ยแม้ว่าฝนจะตกลงมานะแต่ว่าหยดน้ําหยดฝนก็ไม่ทําให้ใบบัวนี่เปียกได้ อาจจะจั บ, จบตามใบบัวเป็นเป็นเม็ดเล็กๆแต่ว่าไม่ทำให้เปียกแล้วบัวนี่ก็ก็ฉลาดนะก็นะจะไม่พยายามเก็บสะสมน้ ำ, นำหยดน้ำเอาไว้เวลาน้ำเนี่ยหยดน้ำนี่มันมา มารวมกันตรงกลางใบบัวมากๆเนี่ยใบยบัวก็จะเริ่มหาทางที่จะเคลื่อนไหวเพื่อให้น้ํานี่มันไหลออกมาจากใบบัวนะเขารู้วิธีสลัดสลัดหยดน้ําออกไปนะจากใบบัวเพื่อไม่ให้มันหนักเพราะว่าน้ํานี่มันรวมกันแล้วหนักใบบัวก็จะมีวิธีที่จะสลัดหยดน้ําออกไป ด้วยการที่จะเอียงบ้างเคลื่อนบ้างนะจนกระทั่งน้ำมก็ค่อยๆหายไปใจเราก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะก็คือว่าเมื่อมีอะไรมากระทบเนี่ยมันก็ไม่ฉาบไม่เปื้อนใจนะมีอะไรมากระทบสิ่งที่ไม่น่ายินดีคำพูดที่ไม่ไพเราะความวิจารณ์คำตำหนิการกระทาที่ไม่ดีของใครบางคน ความเห็นของใครบางคนที่ไม่ตรงกับเราก็ไม่ทำให้ใจเราก็เพิ่มได้เดีย๋ยวนี้อย่าว่าคำตาหนิหรือว่าคำวิจารณ์เลยที่มาถึงเราหรือที่มีกับเราแม้แต่ความเห็นที่ไม่ตรงกับเราอย่างเช่นเพื่อนที่สนิทกันหรือคนคุ้นเคยกันแต่เขาเห็นไม่ตรงกับเรานะเห็นไม่ตรงกับเราในเรื่องสีสีเหลืองสีแดงจิตใจเราก็วันไหวละ สามีภรรยาก็เป็นอย่างนี้ทะเลาะ ก, กันก็เพราะเหตุนี้ก็ไม่ได้ตำหนิติชิ้นอะไรการเพียงแค่เห็นไม่ตรงกันก็จิตใจก็วันไหวเป็นทุกข์มีโทสะเกลียดอาจจะเริ่มต้นจากโกรธแล้วก็เกลียดนี่เป็นเพราะเรายอมให้ภาษาต่างๆเข้ามาเข้ามาฉาบเข้ามาเพื่อนใ น, นถ้าใจเราเหมือนใบบัวนะหยดน้าน้าฝนตกลงมาก็ ไม่ทำให้ใบบัวเปียกได้แล้วก็ไม่มีทางที่จะมาจับมาเกาะได้นานเขาก็จะทำให้หาทางสลัดออกไปด้วยเหตงนี้ใบบัวแม้จะอยู่กลางแจ้งอยู่ในที่โล่งแม้จะต้องเจอฝนจะต้องเจอต้องรับฝนที่กระหน่ำลงมาแต่ว่าฝนหล่อนั่นก็ทำอะไรใบบัวไม่ได้ชีวิตของเราก็เหมือนกันนะ ชีวิตคนเราก็เหมือนกับอยู่ในที่โลง่งเมื่ออยู่ในที่โล่งเนี่ยก็หมายความว่าต้องเจอแดดเจอฝนนะชีวิตคาราวา์เป็นอย่างนั้นชีวิตผ้านี่ยังยังอาจจะมีข้อดีหน่อยคือว่าไม่ไม่ไปไม่ไปเจอแรงนะชีวิตไม่เหมือนกับอยู่ในที่โล่งนะก็อยู่ในป่าแดดก็ไม่ค่อยตกถึงฝนก็ตกมาบ้างก็มี เรือนยอดของต้นไม้คอยรับเอาไว้อยู่ในป่านี่จะไม่ค่อยเจอแดดมากเท่าไรไม่เหมือนกับอยู่กลางแจ้งอยู่ที่โลง่งคาละวาเนี่เหมือนกับอยู่ในที่โลง่งเพราะฉะนั้นก็ต้องเจอแดดเจอฝนแต่ถ้าหากว่าใจของเราเนี่ยเหมือนเหมือนกับใบบัวนะเจอฝนก็ก็ไม่สะเทือนไม่สถาวนฝนะนจะตกลงมาไงก็อ่า สามารถสลัดออกไปไดนะ้เพราะฉะนั้นแม้จะอยู่ในที่โลง่งที่แจ้งก็ไม่เดือดร้อนอะไรชีวิตของคาราวาซึ่งเปรียบเสมือนการอยู่ที่แจ้งที่โลง่งต้องมีนะต้องมีทำมาเป็นเครื่องรักษาใจนะหรือว่าเปรียบเหมือนก็เหมือนกับเรามีร่มนะมืนนะแม้แม้ว่าฝนจะตกแต่จะออกถ้าเรามีร่มมันก็ไม่ไม่ทำให้เราร้อนไม่ทําให้เราเปรียบ ร่มในท้นี่ร่มในใจนะร่มแห่งธรรมะร่มในใจที่จะต้องช่วยกันสร้างขึ้นมาบางคนไม่มีเลยแต่บางคนก็มีแต่เป็นร่มเล็กๆนะร่มขนาดฝ่ามือนะฝนตกมาก็เปียกหมดอาจจะไม่เปียกก็เฉพาะตรงสีษะนะเราต้องทำร่มให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็แข็งแรงนะพอที่จะทานลมพอที่จะทานแดด ให้เราลองนะลองพยายามที่จะใช้ธรรมชาติเนี่ยมาเป็นครูสอนเพื่อให้เราได้ได้เกิดกําลังใจเกิดความสดชื่นแจม่มใสมีเยอะในป่าในธรรมชาติเนี่ยที่จะทําให้เราเกิดกําลังใจนะไม่ยออ่อท้อแมลงเล็กๆที่เขานะทํางานทั้งวันนะโดยไม่ยออ่อท้อก็ช่วยเตือนใจให้กําลังใจเราได้แต่ว่า ในความเป็นของอตามา น, นี่ก็รู้สึกว่าในสระเนี่ยมันกลางสระนี่มีครูสอนทําได้เยอะแยะนะแล้วก็ที่ชอบมาก็อย่างที่ว่าคือดอกบัวแล้วก็ใบบัวนะที่เขาสามารถที่จะแสดงความถึงรักษาตนให้เป็นอิสระได้แม้ว่าสิ่งแวดล้อมมันจะขมุก ข, ม, ขมัวยังไงเขายังสดชื่นแจ่มใสอยากให้เราเป็นอย่างนั้นให้เรามีใจที่สดชื่นแม้ว่ารอบข้าง จะขมุขขมัวรอบตัวจะหม่นหมองอย่างไรนะเราก็ยังส่งความบริสุทธิ์เอาไว้ได้หรือความสดชื่นแจ่มใสมีพุทธภาษิตอันหนึ่งที่อาจจะโยงกับเรื่องนี้ได้ที่พู้เจ้าตรัสว่าอยู่หลายคนให้มันก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็มันก็อยู่หลายคน อยู่หลายคนแม้ก็อยู่คนเดียวก็หมายความว่าแม้คนหนึ่งก็จะกระฟัดกับเฟียดแม้คนอื่นเ ข, จ ะ, เนเขจะพูดอย่างไรก็จะทําอะไรที่ไม่ดีแต่ว่าเราก็เป็นปกติได้นะคนอื่งก็จะไม่ตั้งใจปฏิบตัติเราก็ยังคงปฏิบัติได้เหมือนกับเราอยู่คนเดียวคนหนึ่งก็จะพูดคุยยังไงกันเราก็ไม่ฉุนเฉียวไม่หงุดหงิดเหมือนกับว่าเราไม่ได้ยินเขาพูดเหมือนก็เราอยู่คนเดียว เดินในป่าอยู่คนเดียวนี่คือความหมายหนึ่งของอภาษิต ท, ที่ว่าอยู่หลายคนมันก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็เหมือนก็อยู่หลายค น, นก็ห ม, มายความว่าแม้เราจะนอนคนเดียวอยู่ในป่าคนเดียวหรือทำอะไรคนเดียวเราก็จิตใจก็เป็นปกติบางครั้งเราทำความดีก็มีเราคนเดียวที่ทำ แต่เราก็รู้สึกว่าเหมือนก็มีเพื่อนๆ เ, เนี่ยได้ส่งกำลังใจมาให้เรานะอย่างมีคนนะเดินทางไกลเดินธรรมญาติตรานะอย่างที่เราทราบก็มีเดินสันติปตัตตนีอันนี้เดินกันหลายคนนะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงละปะตัตตานีแต่ก็มีบางคนนะนะนะได้อ่านบทความเขาเดินจากกรุงเทพไปนะครศรีธรรมราชเขาเดินคนเดียว เขาเดินเพื่อที่จะทํ า, ท บ, า, าบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่ามีความหมายคนแบบนี้มีเยอะหรืออย่างอาจารย์ประมวลที่เดินจากเชียงใหม่ไปสมุยในกรถังกพันกว่ากิโลเดินหกสิบวันคนเหล่านี้เนี่ยแม้เขาจะเดินคนเดียวเขาก็ไม่รู้สึกท้อเพราะว่าเขาสัตว์สิ่งที่เขาทํามีค่าถ้าเป็นเราเราก็อาจจะลองนึกว่าเออ แม้เราเดินคนเดียวก็มันก็มีหลายคนร่วมเดินด้วยเราก็จะอบอุ่นมีกำลังใจนะโดยเฉพาะเวลาเราทำความดีทำสิ่งที่ยากเนี่ยบ่อยครั้งเราไ อ, ไอต้องทำคนเดียวคนอื่นไม่เข้าใจคนอื่นไม่สนใจแต่เราก็รู้สึกอบอุ่นเหมือนกับว่ามีคนร่วมทำด้วยกับเรานะตอนนี้พวกเรามาในวันนี้เนี่ยเราก็มากันหลายคนก็ให้ถือว่าเราเนี่ย แม้จะมีหลายคนก็เหมือนก็เราอยู่คนเดียวเราปฏิบัติคนเดียวนะรอบข้างรอบตัวเราเขาจ ะ, จะเขาจะทำอะไรเขาจะพูดอะไรเราก็ไม่สนใจนะไม่เอามาให้เป็นเรื่องอุดติดลคาคัญใจความตั้งใจของคนรอบตัวโดยเพราะความเฉยเนือของใครก็ตามเนี่ยจะไม่มีผลต่อความตั้งใจความมุ่งมั่นของเรา ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยโดยธรรมชาติเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามเนี่ยเรามักจะปล่อยให้คนรอบข้างเ น, นี่ยมามีอิทธิพลต่อเราเขาเคยทําแบบเขาเคยสอบถามคนว่าเนี่ยระหว่างถ้าคุณต้องสอบโดยมีคนสอบร่วมกับคุณเนี่ยสิบคนกับสอบมีคนมาเข้าสอบด้วยร้อยคนเนี่ยคุณอยากจะเลือกสอบ อย่างไหนมีคนสอบด้วย10คนหรือมีคนสอบด้วยร0อยคนฮนะเราลองตอบคำถามนี้ก็ได้นะว่าในห้องสอบถ้ามีห้องสอบ10คนกับห้องสอบร้อยคนเนี่ยเราอยากจะเลือกห้องสอบห้องไหนนะส่วนใหญ่ก็เลือกสอบห้องแรก10คนเพราะว่าตัวตั ว, ตวคนแข่งขันน้อยนะถ้าร้อยคนเนี่ยของคนแข่งขันเยอะเนี่ย เราก็รู้สึกโอกาสที่เราจะสอบได้หรือเป็นที่หนึ่งเนียก็น้อยและถ้าร้อยเป็นพันเนียก็จะทำให้เราก็ยิ่งไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่ามันมีมัน ม, ม, นมีมันมีนัยยะมากกว่า น, นั้นเพราะว่าพูดถึงความตั้งใจแล้วเนียคนทั่วไปเนียระหว่างสอบในห้องที่มีสิบคนกับสอบในห้องที่มีร้อยคนเนียความตั้งใจจะไม่เหมือนกันแม้จะเป็นข้อสอบชุดเดียวกัน เขาพบ ว, ว่าคนที่สอบในห้องที่มีคนสิบคนเนี่ยจะมีความตั้งใจดีกว่าคนที่สอบในห้องที่มีร้อยคนเขาก็มีวิธีวัดหลายอย่างวิธีวัดอันนึงก็คือดูดูระยะเวลาในการในการสอบห้องที่มีคนสอบน้อยเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วคนจะสอบทำข้อสอบได้เร็วห้องที่มีข้อสอบห้องที่มีคนสอบเยอะ โดยเฉลีลยแล้วคนจะใช้เวลาในการสอบมากขึ้นและคะแนนของการสอบคะแนนเฉลี่ยของผู้สอบเนี่ยก็จะมีผลสัมพันธ์กับจำนวนคนที่สอบด้วยก็คือถ้าสอบห้องเยอะๆเนี่ยคะแนนเฉลี่ยมักจะไม่ดีเท่ากับสอบห้องเล็กๆนะอันนี้เป็นเาก็ทําทำวิจัยกันมาเยอะแล้วก็พบว่าจำนวนคนที่เข้าสอบเนี่ยมีผลต่อ ความตั้งใจมีผลต่อความสามารถในการสอบของแต่ละคนนะีถ้าสอบกันหลายๆคนเนี่ยความตั้งใจก็น้อยแล้วก็ผลคะแนนที่ออกมาก็จะไม่ดีเท่ากับสอบน้อยคนอันนี้อธิบายได้หลายอย่างอธิบายเหตุผลนี่ <ๆ S 1> คือว่าพอสอบกันหลายคนเนี่ยก่อนเราก็รู้สึกว่าโอ้ยคงจะสอบไม่ค่อยได้แล้วละ่ะเปอร์เซ็นที่เราจะสอบได้มีน้อยความตั้งใจก็น้อยนะ แต่ถ้าสอบกันสองคนเนี่ยเราจะเราจะมีความตั้งใจมากแล้วก็จะทำได้ดีกว่าสอบหลายๆคนอันนี้เป็นเป็นเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นตัวอย่างนึง ท, ที่เชนว่าเราเนี่ยมักจ ะ, ะปล่อยให้ยอมให้คนรอบตัวมามีอิทธิพลต่อเรานะยิ่งมากคนเท่าไหร่ก็ยิ่งได้รับอิทธิพลจากจำนวนคนมากนะ อันนี้ไม่ใช่เฉพาะเวลาทไม่ว่ามันไม่ไดจ้จำกัดเฉพาะเวลาทาข้อสอบนักอย่างอื่นด้วยรวมทั้งเวลาทำความดีเขาเคยทำมีการทดลองว่าให้คนนึงอยู่ในห้องและห้องข้างๆเนี่ยก็มีคนแก้งทำเป็นลมบ้าหมูเป็นโรคลมบ้าหมูแล้วก็ส่งเสียงร้องออกมาถ้าเราอยู่ในห้องคนเดียวแล้วเราได้ยินเสียงลมเสียงคนข้างๆห้องเนี่ย เป็นลมบ้าหมูเนี่ยเราจะช่วยไหมส่วนใหญ่จะช่วยประมาณเจ็0ปดเปอร์เซ็นจะไปช่วยแต่ถ้าในห้องของเราเนี่ยมีหลายคนมีเพื่อนเราสีห้าคนอยู่ในห้องเดียวกับเราเนี่ยและได้ยินพร้อมกันว่าอีกห้องหนึ่งเนี่ยมีลมบ้าหมูมีคนเป็นโรคลมบ้าหมูจะมีใครไปช่วยไหมปรากฏว่าคนไปช่วยน้อยลงเหลือสามสิบเปเ็น หรือสมมุติว่าเรากําลังเดินผ่านห้องห้องหนึ่งอยู่แล้วห้องนั้นเนี่ยปรากฏมีควันไฟพวยพุ่งออกมาทางประตูมีไฟไหม้เกิดขึ้นในห้องนั้นเนี่ยถ้ามีถ้าเราเดินผ่านคนเดียวเนี่ยหรือใครก็ตามถ้าเขาเดินผ่านคนเดียวเนี่ยโอกาสที่เขาจะไปรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามีไฟไหม้ข้างในเนี่ยเจ็ดแต่ถ้าเธอเดินกันหลายคนนะรู้หลายคน โอกาสที่จะไปแจ้งเนี่ยจะเหลือแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์มันใกล้ๆกันเลยคือมันห่างกันเป็นเท่าตัวเพราะอะไรนะเวลาเราเวลาเราอยู่คนเดียวเนี่ยเรามีน้ำนมที่จะทำความดีเป็นพลเมืองดีมากกว่าเวลาเราอยู่กันหลายคนนะเพราะอะไรอไเป็นเพราะว่าเอยเราคิดว่าเฮ้ยมึงเดะมึงเด๋ะช่ไหมเราต่างโยนความรับผิดชอบให้แต่ละคนมึงทําเด๋มึงทําเด๋ เหมือนกับเวลาเห็นใครเป็นลมเนี่ยถ้าเราเดินผ่านคนเป็นลมคนเดียวเราจะช่วยแต่ถ้าเราเดินกันหลายคนหรือถ้าเป็นอย่างย่านชุมชนย่านธุรกิจเนี่ยเราจะเห็นคนเป็นลมเนี่ยไม่ค่อยมีใครเหลียวแลยิ่งคนเป็นร้อยเป็นพันเดินเนี่ยเขายิ่งไม่ไม่สนใจที่จะช่วยอันนี้แสดงว่าการที่คนเราจะทำความดีหรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนรอบข้างด้วยนะ ก็คือผู้ใหญ่ในครอบเราปล่อยให้คนรอบข้างเนี่ย ม, มันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเราไม่ว่าจะเป็นการสอบหรือว่าหรือการทําความดีตอนนี้บอกว่าอยู่อยู่หลายคนมันก็อยู่คนเดียวสอบหลายคนก็เหมือนกระสอบคนเดียวคือไม่สนใจว่าคนสอบจะเยอะหรือน้อยเราก็ทาของเราไปนะเราจะไม่ให้จํานวนคนเนี่ยมามีมีอิทธิพลต่อต่อจิตใจของเราเพราะถ้าเราให้คนจํานวน มากๆมาอิทธิพลต่อการสอบของเราเราจะความสามารถเราจะลดลงเวลาเราทําความดีอยู่กันหลายคนเราก็เสมอว่าอยู่คนเดียวเห็นใครเดือดร้อนเราก็ช่วยไม่ต้องสนใจว่ามีกี่คนที่อยู่ในห้องเดียวกับเรามีกี่คนที่รับรู้เหตุการณ์เดียวกับเราเพราะถ้าเรารู้สึว่ามีหลายคนรับรู้ด้วยเนี่ยเราจะกระตือลือ้นที่ทําความดีน้อยลง อันนี้เคยผมว่าทำไมเวลาวัยรุ่นกระชากผู้หญิงไปไ ป, ไปทำมินิมิไลาสามารถจะทําได้ท่ามกลางคนเยอะๆบนรถเมล์หรือว่าในย่ามชุมชนไม่มีใครจะไปช่วยเพราะเขารู้สึกว่าให้คนมันเยอะนี่ยคนเยอะคนชั่วน่าจะน่าจะกลัวนะแต่คนชั่วกับได้ใจเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะไม่สนใจที่จะเป็นพลเมืองดีนั้นะ การทำความดีเนี่ยให้เราลึกให้เราระลึกว่าจะมีคนมากหรือน้อยเราก็เหมือนกับว่าเราทำคนเดียวมันจะเกิดความตั้งใจมากกว่ า, าการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะให้เราพยายามที่จะอย่าให้คนจํานวนมากโดยเฉพาะคนที่เขาไม่ใส่ใจหรือว่าไม่กระตือหรือล้นหรือง่วงเงาเขานอนสบางกมามีอิทธิพลต่อเราแล้วก็ทําเราไปนะ อันนี้เป็นการขยายความที่พุทธภา ษ, ษิตว่าเนี่ยอยู่หลายคนมันก็อยู่คนเดียวนะแต่ถ้าเกิดคนรอบข้างเนี่ยเขาตั้งใจเขาปฏิบัติเนี่ยยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะมันก็ยิ่งทำให้เราได้รับ เ, เกิดกำลังใจในการที่จะจ ะ, จะปฏิบัติแต่ก็อย่าไปรอหวังกำลังใจจากคนรอบข้างเพราะว่ามันจะมีผลตรงกันข้ามถ้าเกิดคนรอบข้างนี้เขาไม่มีกาลังใจมันก็จะพลอยฉุดเราให ให้หมดกำลังใจไปด้วยนะเนี่ยปัจจุบันนี่เราต้องเราต้องพยายามนะให้มีความความมั่นใจในการการปฏิบัติและสิ่งที่ทำให้เราปฏิบัติได้ดีนี่นคือการมีฉันทะนะถ้าเรามีฉันทะแล้วเนี่ยมอคนรอบข้างจะจะเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะ คนรอบข้างเขาจะจะเฉยเนยไงเราก็ไม่สนใจเพราะเรามีฉันทะฉันทะคือความชอบและคนเราจะมีฉันทะได้ก็เพราะส่วนหนึ่งได้ได้รับผลของการปฏิบัติเช่นมีความสุขนะเราก็จะเกิดฉันทะมีความเพียรฉันทะคือความชอบเ้วก็จะนสู่ความเพียรในการปฏิบัติคนหนึ่งเขาไม่ปฏิบัติฉันก็ไม่สนใจเพราะว่าฉันทําแล้วฉันมีความสุขฉันทาแล้วฉันชอบนะ มันก็เหมือการบวชนะสมัยก่อนเนี่ยตอนจะมาบวชใหม่ๆเนี่ยที่วัดสนามหนบวชเดือนแรกเนี่ยบวชสองเดือน บ, บวชตั้งใจบวชสามเดือนอยู่วัดสนามในได้ประมาณสักสองเดือนแต่คนส่วนใหญ่ที่มาบวชที่วัดสนามในเนี่ยเขาบวชแค่ไม่นานเนะวลาเห็นเพื่อนที่อยู่ในวัดเดียวกันเขาศึกนะเราก็เราห้อยนะเราศึกวันไหว เพราะว่าเรารู้สึกว่าการปฏิบัตินี้เป็นเรื่องยากเราเห็นเขาศึกเราก็รู้สึกว่าเขาไปดีแล้วเราเสร็จต้องยังลำบากอยู่นะเราก็ต้องนั่งก้มหน้าก้มตาปฏิบัติต่อไปแต่ พ, พอเราปฏิบัติถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันลงตัวมันเข้าที่แล้วเราก็ได้รับความสุขจากการปฏิบัติเราไม่แคร์เลยนะไม่แคร์เลยใครจะศึกเราไม่สนใจเลยนะความรู้สึกมันจะต่างกันนะ ตอนที่ตอนที่ปฏิบัติใหม่ๆบวชให ม, หม่ๆเนี่ยคนศึกแต่ละคนเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยอยากจะศึกตามด้วยเนี่ยเพราะเราสึกว่าเขาไปดีแต่เราลําบากแต่พอเราปฏิบ<ฏ>ัติจนกระทั่งเราสึกเออเข้าที่เข้าทางแล้วเรากลับเห็นใจนะสงสารคนที่เขาศึกไปก่อนว่าเขาขาดโอกาสที่จะได้ได้ได้ได้รับโอกาสเหมือนเราพวกเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะ เกิดว่ามีเพื่อนของเราเนี่ยปฏิเราตั้งใจจะจะปฏิบัติ7วันแล้วก็มีเพื่อนมีธุระรีบกลับไปก่อนหลังจากปฏิบัติได้แค่2วันเราอิจฉาเขาไหมโอ้โหเขาได้ไปแล้วกลับบ้านเราต้องมาลำบากนะแต่ถ้าถึงจุดที่ว่าเออเขาไปเราก็ไม่ไม่หวั่นไหวนะอ่าอันนี้ถือว่าเรากาลังเกิดอ่าฉันทะแล้วแล้วเราอาจจะได้รับความสุขจากการปฏิบัติ นะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนการปฏิบัติเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่เราทํามันคนหนึ่งเขาไม่ค่อยทําหมือกันนะแต่ว่าถ้าเราได้รับผลการปฏิบัติเนี่ยจิตใจเราก็จะมั่นคงพอเรามั่นคงแล้วเนี่ยนะใครก็จะว่าอย่างไรเราก็ไม่หวั่นไหวใครเขจะทําอะไรใครก็จะไม่ปฏิบัติงไงเราก็ไม่หวั่นไหวเพราะว่าเรามีมีได้พบกับสภาวะที่ที่น่ายินดีนะ มันจะเกิดความมั่นใจในวิถีทางที่เราเดินมันก็เป็นเรื่องเดียวกับการความมั่นใจความมั่นใจในเรื่องอื่นความมั่นใจในในความดีของเราความมั่นใจในความจริงใจของเรานะคนเราทํามั่นใจแล้วเนี่ยมันจะไม่หวั่นไหวนะกับกับการกระทําของคนอื่น หรือไม่แคร์ความเห็นของคนอื่นด้วยซ้ําก็จะว่าเราเลวอย่างไรแต่เราเรามั่นใจว่าเราเรามีความบริสุทธิ์ใจเราทําความดีใครก็จะว่าเราอย่างไรเราก็ไม่หวั่นไหวแต่ถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยในความดีของเราไม่มั่นใจว่าเราทําด้วยความบริสุทธิ์ใจพอใครพูดอะไรมาว่าเราทําเพราะอยากดังหรือเปล่าเนี่ยเราก็จะหวั่นไหวนะ อันนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นตัวชี้วัดว่าความหวั่นไหวเนี่ยมันเป็นตัวชี้ว่าว่าเราเรามีความมั่นใจเพียงใดคนที่คิดว่าตัวเองเก่งแต่ว่าถูกวิจาร์ไม่ได้พอใครวิจาร์ก็จะหวั่นไหวโกรดนี่ก็แสดงว่าตัวเองลึกๆไม่ไม่มั่นใจว่าเราเก่งจริงนะแต่คนที่เข้มั่นใจเขาเก่งจริงเนี่ย เ, เขาก็ใครก็จะพูดไงฉันก็ไม่สนใจนะมันมีเรื่องเล่านะอันนี้อ่ เป็นเรื่องเล่าที่ท่านติด น, นัานท่านท่ า, ทาลอยฟังแล้วคือว่าจะพวกเราจะเคยได้ยินมาบ้างเป็นเรื่องคนที่ที่มีปัญหาทางจิตคือเขานึกว่าเขาเป็นเขาโพดนะขเขาเขวก็เป็นเขาโพดเพราะฉะนั้นเวลาเขาเจอไก่เนี่ยเขาจะรีบหนีไก่เพราะไก่มันชอบจิกเ้าโพดใช่ไหมเลย ในสุดก็ต้องถูกพามารับการรักษาในโรงพยาบาโลโรคจิตนะวิธีการของทางโรงพยาบาลคือว่าให้เขาตอกย้ำกับตัวเองบ่อยๆว่า ฉ, ฉันคือมนุษย์ฉันคือมนุษย์ฉันไม่ใช่ข้าวโพดนะให้ไปให้ไปพูดกับตัวเองนะเชา้ากลางวันเย็นนะรอบละ ร้อยครั้งฉันแล้วก็วกเขียนด้วยว่าฉันคือมนุษย์ฉันไม่ใช่ข้โพดฉันคือมนุษย์จัไม่ใช่โพดเจ็ดวันน ะ, นะก็ทำอย่างเงี้ยหมอก็มาถามอาการในที่สุ ด, สดหมอถามว่าเป็นไงคุณตอนนี้คุณเป็นใค ร, ใครผมเป็นมนุษย์ครับนะนะหมอก็บอกเออดีคุณเป็นมนุษย์คุณไม่ใช่ข้อโพดนะเสร็จแล้วก็หมอก็เลยจะส่งตัวปล่อยเรีอกว่า ส่งตัวกลับนะ discharge ออกจากโรงพยาบาลก็เดินไปเก็บข้าวของพอดีพอเดินผ่านพอเดินผ่านลานของโรงพยาบาลเนี่ยมันมีไก่อยู่หลายตัวเลยเราก็เจอไก่เขาเรีบวิ่งเลยนะเขาเรีบวิ่งเลยหมอต้องเลยวิ่งไล่ตามเแ็่แล้วหมอก็ถามว่าคุณเป็นคนไม่ใช่เหรอก็เมื่อกี้คุณก็บอกคุณเป็นคนคุณเป็นมนุษย์คุณไม่ใช่ข้โพด ผู้ชายนนั้นบผมก็รู้ผมเป็ผมเป็นมนุษย์ผมไม่ใช่ข้าวโพดแต่ผมจะแน่ใจได้ไงว่าไก่มันก็คิดว่าผมเป็นคนด้วยคือเขาก็ไม่แน่ใจว่าไก่จะมองผมเป็นข้าวโพดหรือเปล่ามันก็ต้องหนีอ่ะนะคนที่พูดชนนี้สว่าเขาไม่มั่นใจว่าเขาเป็นมนุษย์เขายังมีความสงสัยอยู่ว่าฉันเป็นข้าวโพดหรือเปล่าเพราะฉนั้นเวลาเขาเจอไก่เนี่ยเขาก็จะเลยกลัวแต่คนที่มั่นใจว่าเขาเป็นมนุษย์เนี่ยเขา ไก่มันจะมองเขาเป็นข้าโพดไงของก็ไม่กลัวไก่วิ่งเข้ามาเดี๋ยวฉันก็ถีบให้แค่นั้นเองใช่ไหมหรือฉันก็ไล่ออกไปคือคนที่เชื่อเขาตัวเองก็เป็นมนุษย์เนี่ยเขาจะไม่แคร์หรือว่าไก่มองเขาอย่างไรมีแต่คนที่ไม่บรรจว่าตัวเองเป็นมนุษย์หรือเปล่ายังมีความสงสัยว่าฉันเป็นข้าวโพดอยู่บ้างก็จะแคร์ว่าไก่มองเขาอย่างไรเนี่ยคนนี้เขาก็เลยกลัวเนี่ยว่าไก่เขาก็ไม่แน่ใจว่าไก่ยังคิดว่าเขาเป็นมนุษย์หรือว่ายังมองว่าเขาเป็นข้าวโพดนะ เนืความมั่นใจของคนเราเนี่ยนะถ้าเรามั่นใจจริงเราไม่เราจะไม่แคร์ความรู้สึกหรือทัศนาของคนอื่นไม่แคร์ในความหมายที่ว่าไม่ใช่ไม่ฟังนะแต่ว่าไม่ไม่หวั่นไหวไปกับความเห็นที่แตกต่างจากเราแต่อาจจะรับฟังได้รับฟังมันคนเรื่องความหวั่นไหวนะตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยอยู่กันหลายคนแล้วก็อยู่คนเดียวเนี่ยเนี่ยมันมันมีความหมายที่ ไดม้มันมีแง่มุมให้มองได้หลายแง่นะก็คือการที่เราสามารถที่จะทรงใจให้เป็นอิสระได้โดยที่ไม่ปล่อยให้ผู้คนจานวนมากเนี่ยมาทำให้เราหวั่นไหวมาทำให้เราเสียกำลังใจหรือว่ามางดหยุดลำคาญใจไปกับการกระทาของเขาไม่หวั่นไหวไปกับเสียงติชินนินทาของผู้คนนะแต่ในราการเท่าเวลาเราอยู่คนเดียวเราทาความดีแล้วสึกท้อแท้ เรารู้สึกเออมีหลายคนเขาเห็นด้วยเขามาร่วมมือกับเราเขาก็ทากับเราอันนี้ก็ก็ดีนะสำหรับคนที่ยังหวั่นไหวต่อผู้คนการที่ได้รับเสียงเชียร์หรือการที่ร่วมมีคนนึงเขาให้กาลังใจสาบสุนเราก็ทำให้เรามีกาลังใจมากขึ้นแต่ถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราต้องพร้อมที่จะอยู่คนเดียวแม้ว่าแม้ว่าผู้คนจะ จะมีมากมายเพียงใดก็ตามแต่นี้ไม่ได้หมายความเราไม่แคร์เราไม่ใส่ใจที่จะเอื้ออาทรต่อคนอื่นนะอันนี้คนละเรื่องไม่ใช่หมายความว่าเออเราไม่แคร์แล้วตอนนี้ใครเดือดร้อนไงเราไม่สนใจทันนั้นไม่ใช่วิสัยของนักปฏิบัติไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธนะคนเขาเดือดร้อนเราจะอยู่สบายกินสบายไม่รับรู้อะไรว่าเขาทุกข์ร้อนกันอย่างไรอันนั้นไม่ใช่นะ เราต้องมีความเอื้อทอนแต่ว่าที่พูดนี้เนี่ยมันมีบริบทของมันโดยเฉพาะที่พุทธภาสิตที่ว่า น, นี่ก็คือว่าให้เราตั้งใจในการทำความดีโดยที่เราไม่ไม่ปล่อยให้คนอื่นเนี่ยมาทำให้เราเสียเสียกํากำลังใจหรือว่าวันไหวในการทำความดีนะแล้วก็รวมทั้งให้เรายังสามารถคงใจให้อยู่ในความอ่า ในความปกติได้นะเอาละวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้